ที่ประเทศอเมริกามีเมืองเมืองหนึ่งนะชื่อฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองนั้นเนี่ยมีพื้นที่รกร้างเนี่ยเต็มไปด้วยกองขยะนี่หลายร้อยอาจจะเป็นนับพันแห่งนะไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงนะเขาก็เลือกพื้นที่ที่รกร้างมีขยะนี่ประมาณสัก้าแห่งเนี่ย แล้แบเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มแรกก็ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้มีสวนกลุ่มที่สองเนี่ยก็รื้อเอาขยะออกแล้วก็ทำให้มันสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวกลุ่มที่สามเนี่ยก็ไปที่ไม้เหมือนเดิมนะ ผ่านไปสบเดือนเ้าก็พบว่าคนที่อยู่รอบๆพื้นที่กลุ่มแรกเนี่ยซึ่งเขาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวพบว่าคนเนี่ยมีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็จำนวนคนที่ซึมเศร้านี่ก็ลดลงนะถึง 40% เอร์เซน์ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากว่า ทำให้พื้นที่ที่มันรกร้างขยะสกระปรกนี่ไม่ใช่แค่สะอาดสะอาดนะแต่ว่ามีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวมีสวนคนก็รู้สึกสุขภาพจิต ก, ก็ดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้คนไม่รบกึมเศร้าเยอนนะแต่ว่าเพียงแค่ให้คนได้เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็น สวนอาจจะเป็นป่าย่อมๆเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทานะโรคซึมเศร้าไปได้เดีย๋ยวนี้เนี่ยในหลายประเทศนะอย่างเช่นในสกอตแลนด์เนี่ยหมอเนี่ยรักษาคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าด้วยการให้ใบสั่งยาที่ไม่เหมือนใครนะไม่ได้ให้ยานะแต่ว่าให้ไปสัมผัสกับธรรมชาติ ให้เขาหาธรรมชาติแล้วก็บอกนะว่าจะให้เข้าหาธรรมชาตินกี่ชั่วโมงนะว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะนะเพราะว่าต้นไม้ธรรมชาตินี่มันมันเยียวยาจิตใจได้มันเติมความมีชีวิตชีวานะให้กับจิตใจของผู้คนและจริงๆไม่ใช่เพียงการเยียวยาจิตใจนะมันยังช่วย ป้องกันโรคบางโรคได้นะโดยเพราะโรคที่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเนี่ยอย่างเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย เ, า, เาะบว่าคนที่อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยหลายโรคนี้จะเป็นน้อยลงนะโดยเพราะโรคที่เป็นกันเยอะนะในหมู่ผู้คนสมัยนี้โดยเฉพาะในเมือง โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคไมเกรนโรคหืดนะโรคทั้งโรคซึมเศร้าด้วยโรคทั้งกายโรคทั้งใจเนี่ยนะหัวใจเบาหวานเนี่ยนะโรคหืดเนี่ยมันลดลงเลยนะเพียงแค่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียว ยังไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกายนะแค่พาตัวไปอยู่ในพื้นที่รอบๆนะสวนสาธารณะสุขภาพกายมันก็ดีขึ้นเลยนะเช่นเดียวกับสุขภาพจิตวันนี้มันก็มีการศึกษาแล้วก็ค้นพบนะว่าธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนี่มันมีผลดีต่อสุขภาพจริงๆนะ ไม่ใช่แค่อากาศบริสุทธ์น้ำสะอาดแต่ว่าการที่มีต้นไม้มีสวนนะไม่ต้องถึงกับเป็นป่าก็ได้สวนกลางเมืองเนียสวนสาธารณะนี่ว่ามันช่วยป้องกันโรคแล้วก็บำรุงสุขภาพของคนได้มากแล้วก็อาจจะเรียกว่ารักษาช่วยของผู้คนได้นะ โดยเพาะคนที่เปราะบางเช่นคนแก่เนี่ยอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเขเพราะว่าเนี่ยเมืองสาสิบห้าเมืองใหญ่นะที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องถึงกับเป็นป่านะแค่ปลูกต้นไม้ริมถนนแล้วก็มีสวนสาธารณะแล้วก็เพิ่มต้นไม้ให้มากขึ้ น, นบอกว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้คนแก่เนี่ย ตายเนี่ยถึงส0มหมื่นเกือบ4 0 0 0มคนนะในรอบ20ปีหรือผู้อย่างนี้คือว่ามันช่วยยืดอายุของคนแก่แทนที่จะตายด้วยโรคสารพัดอย่างที่ว่ามาเนี่ยโรคพวกนี้ก็บันเทาเบาบางถามว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยกรองมลพิษได้นะใบของมันเนี่ย ช่วยสกัดมลพิษนะแล้วก็ช่วยเติมออกซิเจนให้กับบรรยากาศนะออกซิเจนนี่ก็สำคัญต่อชีวิผู้คนช่วยกรองเสียงดังแล้วก็มันทำให้เกิดบรรยากาศที่สบายใจชวนให้สบายใจแล้วก็หลายคนก็เห็นต้นไม้เยอะก็ออกกำลังกายเพียง แ, แค่เดินเล่นในสวนเนี่ยนมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะคนแก่ รวมทั้งการทํากิจกรรมร่วมกันแทนจะเก็บตัวอยู่ในห้องดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคนแก่ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็เล่นจีก้กงนะหรือว่าออกกําลังกายกันแบบเบาๆถ้าเป็นเมืองนอกก็อาจจะมีปิกนิกอะไรกันเนี่ยมันก็ดีขึ้นให้เรียกว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยกับสุขภาพคนแก่นี่มัน มันเกื้อกูลกันมากนะตอนหนุ่มๆอาจจะไม่รู้สึกนะแต่พอแก่นี่มันจะไวามากเลยนะต่อธรรมชาติถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะและที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะถ้าว่าได้ลงมือปลูกต้นไม้เองเนี่ยหรือว่าดูแลต้นไม้นี่โอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย อย่างมันมีบ้านพักคนชรานะในอเมริกาเนี่ยก็อยู่กันเป็นร้อยนะมีคราวหนึ่งเขาก็มีการมอบต้นไม้ให้กับคนชราทุกคนเลยแต่ว่าแ บ, บ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกนี่มีเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราคอยลดน้ำให้ทุกวันทุกวันใครที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะ ก็จะมีการบรรยายว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่ดูแลเราอย่างไรบ้างช่วยเหลือพวกเราอย่างไรบ้างอีกครึ่งหนึ่งนะได้ต้นไม้ไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปรดน้ำเองในห้องแล้วก็มีการบรรยายว่าเนี่ยคุณประโยชน์ของการช่วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองเนี่ยหรือทำอะไรได้วยตัวเองนี่มันมันดียังไงบ้างผ่านไปปีครึ่งนะ เพราะเพราะว่าคนชลากลุ่มที่สองเนี่ยที่ดูแลต้นไม้เองเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็อยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นด้วยึ่งแน่นอนก็หมายครามว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายก็ก็ดีกว่ากลุ่มแรกนะไอ้กลุ่มแรกนี่ก็ดีไปแล้วนะเพราะว่ามีต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ อยู่ในห้องนี้ยิ่งเฉาก็าไปใหญ่เลยมีต้นไม้ได้เห็นสีเขียวนะมันก็เกิดความรู้สึกสดชื่นนะแต่ว่าถ้าได้ดูแลต้นไม้เองด้วยเนี่ยโอ้มันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันเกิดความผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้แม้เป็นต้นไม้ต้นเดียวหลายคนนี่ตื่นขึ้นมานึกถึงต้นไม้แล้วรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตนะคือการดูแลต้นไม้ คนเราเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมหรือว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรคือไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันแย่นะแม้จะมีอาหารกินแม้จะมีที่พักที่สุขสบายแต่จิตใจเป็นเคว้งแต่คนเราเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าวันนี้จะทําอะไรหรือนึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ห่วงใยเช่นต้นไม้ บางคนก็นึกถึงสัตว์นะวันนี้จะพาหมาไปเดินเล่นหรือว่าจะให้อาหารนกเนี่ยแค่เป้าหมายเล็กๆแบบนี้นี่มันก็ทำให้เกิดชีวิตชีวาขึ้นมาได้และการดูแลต้นไม้เนี่ยนะมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันนะคล้ายๆกันบางคนก็รู้สึกว่าต้นไม้นี่เหมือนลูกเลยต้องดูแลต้องเช็ด นะไม่ให้ฝุ่นมาจับฝุ่นมาเกาะให้เขาดูสวยพอต้นไม้เนี่ยมันสดชื่นหรือว่าสดใสขึ้นมาจิตใจคนก็พลอยสดใสไปด้วยมีหลายคนนะติดคุกเนี่ยด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยทีแรกก็ห่อเหี่ยวนะคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่บางทีก็เกิดความคับแค้นใจแล้วไม่รู้ว่าจะติดคุกนานเท่าไหร่โหน มันทรมานจิตใจมากแต่หลายคนเนี่ยก็พบว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้นเดียวหลายต้นเนี่ยมันช่วยบรรเทาความทุกข์บรรเทาความห่อเหี่ยวบรรเทาความเครียดไปได้เยอะเลยมีต้นไม้เป็นเพื่อนคุยกับต้นไม้ดูแลต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยสีเขียวเนี่ยนะรวมทั้งดอกของมันเนี่ยมันให้ความรู้สึกสดชื่นนะแก่จิตใ จ, จ เห็นดอกไม้บานนะจิตใจก็พลอยเบิกบานไปด้วยเหมือนกับว่าต้นไม้ในใจนี่มันมันพลอยเบิกบานนะเมื่อเราเห็นดอกไม้ที่เราดูแลนี่มันเติบโตขึ้นมาเบิกบานนะมีใบเขียวดอกสดใสเนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยรวมทั้งการรักษาอนุรักษ์แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่สำคัญมาก เดี๋ยนี้คนไปมองว่าเนี่ยพื้นที่รกร้างเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต้องสร้างศูนย์การค้าถึงจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจพอมีคนบอกว่าเนี่ยมาทําสวนสาธาดีกว่าเนี่ยคนก็จะมองว่าเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่ามันมีผลต่อการบำรุงสุขภาพและการเติมชีวิตชีวา้กับผู้คนเนี่ยถ้าคิดเป็นตวงเงินนี่มันมากกว่า รายได้จากศูนย์การค้าเสอีกนะเพราะฉะนั้นหลายแห่งหลายที่ประเทศทจันเหลือแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างๆนี่เขาไม่มาทําเป็นศูนย์การค้าหรือว่าสร้างตึกแถวเนี่ยแต่เขจะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมากหลายเท่านะแล้วก็ทมมของเรานี้ถ้ามันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆแทนที่จะมีศูนย์การค้ามากๆนี่คนจะมีความสุขแล้วก็มี สุขภาพจิตดีขึ้นนะแล้วก็อายุยืนด้วย